ต่อไปก็ฟังทมกันก็ wallet, ขอโมทนากับผู้ที่ได้ปฏิบัติในการอบรมทั i, esterol, <histoire. S 1> ้งกายและก็จิตอาศัยสติและก็ปัญญา กำหนดดูรูปเบทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเมื่อเราใช้สติใช้ปัญญาพิพจิตรณาการบําเพ็ญภาวนาก็ย่นย่อมาก็คือร่างกาย และจิตใจก็มีความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันอาศัยกันซึ่งกันและกันถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจะใช้จิตเดินยกน้ำให้ก็ไม่ได้ ก็ต้องอาศัยร่างกายจิตใจเช่นเดียวกันถ้าไม่มีกำลังจิตหมดกำลังใจแล้วใช้อาศัยแต่กายอย่างเดียวก็ยืนหยัดอยู่ไม่ได้ถึงบอกจงอยากกลัวการเดิน ก้าวไปช้าๆสิ่งที่น่ากลัวก็คือการหยุดนิ่งเฉยๆที่ไม่ทำอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่น่ากลัว ก, ว, กว่าฉะนั้นถ้าพวกเราทำอะไรแม้จะได้เล็กน้อยก้าวไปทีละน้อยอยาววันไว้แล้วก็ถือว่า เป็นหนทางที่เราจะเดินไปสู่วันข้างหน้าจโยองลองดูยอดเขาที่สูงชันก็เริ่มจากก้าวที่เราเก้าวไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวจง สามารถยืนอยู่บนยอดเขาได้ชั้นใดถ้าคนเราเนี่ยไม่มีกำลังใจจิตใจไม่มั่นคงแล้วเนี่ยเย็นดีๆก็ล้มได้ความคิดก็ไม่แรน คำพูดก็ไม่ออกการกระทาก็ไม่แสดง <c oughs> เขาเรียกว่าหยุดนิ่งอยู่ก็เหมือนตายหายใจอยู่ก็ดูเหมือนไม่มีความรู้สึกที่หายใจนะ ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือร่างกายกับจิตใจเนี่ยต้องสัมผั์กันจึงทำอะไรได้สมบูรณ์ขึ้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระพวทมีพระภาคให้กำหนดรูปและก็นามก็คือกายและก็จิต ทำไมกำหนดสองอย่างว่ากายกับจิตชีวิตคนเราก็มีแค่นี้จริงๆจะรวยจะจนเพียงไหนก็ร่างกายนี่แหละกับจิตใจที่อยู่ร่วมกันจงมองให้เห็นเวลากำหนด รูปกายก็มองตั้งแต่การกระทาทางกายจนพิจารณาถึงรูปกายที่เป็นอวัยวะน้อยใหญ่ความไม่เที่ยงและความเสื่อมฉลายของร่างกายถึงบอกว่ามีชีวิตต้องรู้จักใช้แล้วที่สุด ก็ต้องว่าถ้าเข้าใจแล้วใจจะไม่เสียแล้วก็จะไม่เสียใจจริงอยู่ว่าความทุกข์มันมีอยู่ข้างหน้าก็เอาไว้ทุกวันข้างหน้าแต่วันนี้เราทำให้ชิดของเรามีสุขได้ทำให้จิตใจเราสงบได้ นี่ก็ถือว่าเป็นปัญญาทำไมต้องเอาอีกเรื่องอีกร้อยวันเข้ามาทุกที่ไม่รู้จักวางบอกคิดได้แต่ต้องวางเป็นคนที่คิดเป็นคือวางได้หลายคนบอกรู้แต่คิดแต่คิดไม่เป็นชีวิตจึงแย่ยิ่งคิดก็บอกยิ่งทุกข์ แต่งว่าคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นยิ่งคิดก็ยิ่งขาดทุนโยมเคยดิดลูกคิดไหมสมัยรุ่นพ่อแม่พวกเราเใช้ลูกคิดนะดิดตกแตกตกแตกตกแตกลองจ้องเท่าไหร่ก็ว่าไปกุ๋ยผัวก็ว่าไปทั้งหมดกี่บาท อุงังแยจอยกันแล้วแต่ว่ากำไรเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ค่าขายดีดลูกคิดหวังกำไรแต่ที่ใช้ชีวิตไปใครรู้บ้างว่าขาดทุนหรือกำไรหรือเสมอตัว โยอมอย่าลืมว่าชีวิตก็คือการลงทุนนะบางคนก็เข้าใจแต่ว่าค้าขายวัตถุสิ่งของเข้าของซื้อมาขายไปทุนเท่านี้กำไรเท่านี้หักลบเรียบร้อยค่าใช้ใจ่ายก็กำไรถ้ารู้เพียงเท่านี้ต็มาว่า มนุษย์ไม่เข้าใจความสำคัญของสิ่งที่เราเกิดมารู้ไหมสิ่งที่เกิดมาอะไรที่สำคัญที่สุดชีวิตไงที่ดิ้นกันกันกบเป็นเกือบตายที่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทะเยอทะยานก็ไม่ใช่ เพื่อชีวิตหรือใชแ่แต่เราเคยกำหนดไม่ว่าร่างกายจิตใจสัมพันธ์อย่างไรถ้าทุกกายใจสบายไหมใจก็ไม่สบายล อ, ล, อลองบอกว่าเป็นโรคก็ชักซึมไปเหมือนกันไปตรวจสุขภาพบอก หมอว่าคุณมีโรครู้สึกวันนั้นจะหัวเราะน้อยลงนะว่าจะไปเที่ยวก็รู้สึกจะไม่สนุกแล้ม mm. เมื่อเช่นทั้งสองอย่างต้องรักษากายต้องรักษาใจต้องรักษาบางคนเป็นแต่ว่ารักษากาย แต่ไม่เคยบอกว่ารักษาจิตลืมชีวิตที่สัมพันธ์กันอยู่ยิ่งกว่าพี่น้องรู้ไม่กายกับจิตชีวิตกับธรรมะแยกกันไม่ออกกายกับจิตแยกกันไม่ได้แยกกันเมื่อไหร่ลมหายใจสิ้นไม่ได้มันสัมพันธ์กันนั้นโยมต้องรักษากาย พพุทธเจามีวิธีรักษารักษากายเริ่มตั้งแต่ว่ารักษากายเพื่อไม่ให้มีบาตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีภัยก็อาศัยว่าเอาศีลมารักษาเพียงเท่านี้พอไหมไม่พอรักษากายก็ต้องรักษาให้ถูกสุขอนามัยอีก ต้องรู้จักรู้จักใช้เขาแล้วก็ต้องรู้จักรักษาเขาเหนื่อยให้พักเขาบอกง่วงให้นอนวาวุ่นต้องรู้จักทำสมาธิคิดมากไป ไม่ใช่ดีถึงบอกว่าความปรารถนาคนเรานะมีไว้ดีไ้ยดีเพราะมันเหมือนกับเป็นความหวังแล้วก็เป็นความฝันแต่ถ้าปรารถนามากไปหวังมากไปฝันมากไปนะถ้าเพอ้อเจอ้อหรือทยานมากไปภัยก็เกิดอีก ที่บอกกำหนดยังไงให้เรารู้สภาวะวจริงถ้ารู้ไม่จริงมันไม่ได้ยังโยมปรารถนาขออะไรยมก็ต้องมอสิ่งที่มันพอจะเป็นไปได้ยมขอแต่ถ้าขอสิ่งที่มัน เป็นไปไม่ได้มันก็คือความปรารถนาที่มันมากเกินมันก็ทุกข์นะถึงบวกก้าวไปช้าๆก้าวไปทีละน้อยดีกว่าหยุดนิ่งเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยอย่างนี้ถือว่า พรสวรรค์ไม่มีพรแสวงไม่มีความสำเร็จก็ไม่มีจะนั้นสิ่งสำคัญตามาบอกความเกิดของมนุษย์อะไรสำคัญที่สุดชีวิตชีวิตของเรามีอะไรมีกายกับใจป้อนข้าวให้ร่างกายอยากมีความสุข ก็คือจิตใจเห็นไหมโยมเมื่อไรใจเป็นทุกข์กายก็เศร้าหมองดูหน้าตารู้เลยวันนีดดูไม่สดชื่นไม่รู้ว่าหนักใจเรื่องอะไรดูออก วันนี้หน้ายิ้มบานมาเลยแสงว่าใจไม่รู้ไปพบ อ, อะไรสิ่งที่เป็นสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติโยมต้องกำหนดให้ได้ว่าเราจะรักษากายไม่ให้บาปไม่ให้ชั่วคือเอาศีลรักษา ถ้าจะกำหนดกายให้เป็นธรรมะก็พิจารณาในรูปขันธ์มีอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เที่ยงมีสภาพไม่ตั้งอยู่ได้นานสุดท้ายก็แตกสลายกำหนดอย่างนี้มันถูกหลักของธรรมะเราหลอกความจริงไม่ได้แต่เราหลอกตัวเองได้ ยมเชื่ไหมว่าพวกเราเคยหลอกตัวเองนะบางทีมันไม่ใช่ยมก็ยังบอกว่าใช่สงสัยก็ยังบอกว่าใช่ยมเคยได้ยินคำว่าจุดกองไฟแล้วก็ยืนด่ากองไฟแล้วบอกว่าร้อนเคยไหมมีมนุษย์คนไหนจุดไฟให้ลุก ท่วมขึ้นมาแล้วก็ยืนด่ากองไฟว่าร้อนแล้วทำไมจุดมันทำไมไฟเป็นของร้อนก็รู้อยู่ยังอยากลองลองเสร็จก็ด่าอีกก็อย่าไปจุดถ้าใครจุดก็เดินออกมาเมื่อวานสมมติมีคนด่าคนนินทา ทุกคนก็ต้องถูกอะอาตมาก็โดนกันแล้วแต่ใครจะนินทาเราไม่ได้เป็นตามที่เขาดินทาแต่เราเป็นไปตามที่เราเป็นข้อนี้ยมต้องรู้ถ้ารู้ก็ต้องรักษาใจโอไปห้ามคนอื่นไม่ให้พูดชั่วทาชั่วนี่ถ้าห้ามได้ บัรนี้ก็คงไม่มีผู้ร้ายไม่มีความชั่วร้ายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการให้ร้ายแต่มันไม่ใช่มันก็เป็นดังที่โยมเห็นก็ต้องรักษาจิตไว้จึงบอกเออชีวิตเมื่อเห็นเป็นสิ่งสำคัญ ะสิ่งสำคัญของชีวิตมันก็คือร่างกายกับจิตใจร่างกายกับจิตใจฉะนั้นร่างกายจิตใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ก็ต้องอาศัยมีสติกับปัญญาเข้ามาเป็นผู้ดูแลรักษาอา j o รักษากายได้ก็ต้องรักษาใจได้ชีวิตเราก็ต้องรู้รู้คำวารักษา โยมรักษารพอกำหนดเป็นธรรมะออสุดท้ายร่างกายก็เป็นอย่างนี้เองโยมทุกมันก็เป็นอย่างนี้รู้แล้วไม่ทุกมันก็เป็นอย่างนี้้ว ท, วทุกทาไมอีกสามสิปียีสปีสปีอีกร้อยวันข้างหน้า เรื่องที่มันจะทุกวันข้างหน้าก็ให้เป็นวันข้างหน้าแล้วกันแต่วันนี้หัวเราะให้เป็นยิ้มให้ได้ถึงบอกว่าเออคนเข้าใจไม่ใช่พูดเอาแต่ใจคนเข้าใจเขาพูดเป็นหลักธรรมะ สังเกตดูคนที่พูดเอาแต่ใจไม่มีธรรมะเลยโยมไปกำหนดดูนะถึงบอกการปฏิบัติธรรมมาสงสัยปฏิบัติธรรมได้อะไรประโยชน์อยู่ตรงไหนเอามาใช้อย่างไนเมื่อก่อนยังสับสนหรือปฏิบัติธรรมเป็นโลกส่วนตัวนั่งในห้องพระจบนิ่งสงบกวา่ามันไม่แคบอย่างนั้น แต่มาเมื่อก่อนยังเคยเข้าใจเลยบอกเออนี่เขียนว่าห้องพระความทุกทุกอย่างวางไว้ข้างนอกความว้าวุ่นทุกสิ่งทุกอย่างวางไว้ที่หน้าประตูอยากเข้าไปเข้าไปด้วยจิตที่ไม่ทุกข์ไม่ว้าวุ่น เปิดประตูห้องพระเข้าไปนั่งไม่สบายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าเราเมือ่อเมื่อไรออกจากห้องพระเนี่ยโอ้ชิดของเราใช้นอกห้องพระมากกว่าอยู่ในห้องพระอย่างนี้ก็วุ่นวายมากกว่ามันก็ไม่ถูกต้องแล้วทำอย่างไรให้ห้องพระ อยู่กับชีวิตและให้ชีวิตเสมือนอยู่ในห้องพระได้ก็ต้องเอาสติกับปัญญามากำหนดใคร์ครวนพินิตพิจารณาพยมเข้าใจเสร็จรักษากายให้ได้รักษาใจให้เป็นจะทุกข์ยากเข็ยนยังไงเนี่ย ถึงบอกยามลำบากรู้ความเรื่องอดทนยามยากจนรู้ความควรประหยัดยามร่ำรวยรู้จักใช้ใจใช่ต้องสุรุ่ยสุร่ายยามรุ่งโรดไม่ควรประมาท ภาษาของนักปราชญ์ู้ชาญฉลาดท่านให้สติและก็ปัญญาใช่ทองคำหมื่นช่างหรือร้อยช่างนักปราชญ์บัณฑิตรางวัลที่ให้พวกเราก็คือวาจาอันเปรียบเสมือนแห่งแสงสว่าง ให้พวกเรามองเห็นสติและก็ปัญญาเช่นโยมเลือกเนะี่ยเลือกว่าสิ่งที่สำคัญคือชีวิตและชีวิตก็คือร่างกายกับจิตใจที่อาศัยอยู่สัมพันธ์กันอยู่เราจะรักษาอย่างไรให้ชีวิตที่อยู่แล้ว วันหนึ่งที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปนะจะอยู่แบบไหนแล้วเราควรจะเข้าใจแบบไหนที่เราเกิดมาถึงบอกเออฉันยมต้องรีบค้นหาสติปัญญาค้นคว้าจิตใจอาภัยได้ก็อาภัย วางได้ก็ให้หว่างทุกอีกร้อยวันข้างหน้าก็อย่าเพิ่งไปยึดถือรู้ไว้แต่วันนี้ยมรักษาใจแก้ปัญหาให้ได้ แล้วสุดท้ายเราจะเป็นผู้ที่ไม่สร้างปัญหาเรื่องก็จะจบเมื่อตัวเองไม่สร้างปัญหาคนอื่นสร้างรู้จักแก้เรื่องก็จบตนเองไม่สร้างนานวันก็เรื่องหมดทังบอกอย่าพูดตามใจตัวเองอย่าทำเพียงตามความรู้สึกหรือความคิดตัวเองอย่างเดียว รู้ทรมเขาไม่หลอกตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติทุกวันนี้ที่บอกวิปัสสนากรรมฐานคำว่าความรู้หรือความเห็นแจ้งก็ตามยมเห็นไม่ว่าใจเรานะทุกเพราะอะไรดับทุกได้อย่างไร วุ่นวายเพราะอะไรดับวุ่นวายได้อย่างไรโยมต้องเจาะหาแล้วก็กำหนดลงวันนี้กายมีทุกขทุกตรงไหนเจ็บร่างกายตรงไหนปวดตรงไหนแก้ไขให้มันถูกจุดใจมีทุกไหม ทุกเรื่องอะไรเกิดจากอะไรจรึงทุกความอยากทำให้ทุกหรือหรือความอิจฉาทำให้ทุกหรือความโกรธทำให้ทุกความไม่พอใจทำให้ทุกกำหนดดูหรือว่ามีผู้อื่นขัดใจและทำให้เกิดทุกข์ใจ ต้องกำหนดดูพอกำหนดแล้วยมจะรู้พูดความจริงเป็นธรรมะอย่าพูดเพียงความชอบใจของจิตใจอย่าพูดเพียงอารมณ์เป็นใหญ่ถ้ากำหนดอย่างนี้ไม่ได้นั่งทำกรรมาฐานใจไม่สงบเพราะอะไร ขาดสติแล้วก็ไม่มีปัญญากําหนดดูให้ดีที่บอกรูปเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาตามาก็มานั่งดูกําหนดแล้วพระพุทธเจาตรัสสอนรูปก็ให้มองรูปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ยึดก็เท่านั้นไม่ยึดก็เท่านั้นมีเวลาใช้ก็ควรที่จะถนอมเขาแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดที่บอก สิ่งมีพิษอย่ากลืนกินสิ่งผิดกฎหมายอย่าฝืนทรรมนั่นคือวิธีรักษาชีวิตให้อยู่อย่างปกติและก็สงบร่างกายก็ไม่เกิดกโรคอันตรายที่แทรกซ้อนมาจากสาเหตุ ที่เราได้กินสิ่งมีพิษแล้วไปฝืนทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ไรไม่ได้จึงบอกชีวิตของโยมก็อยู่ที่ตัวเราจะลิขิตโยมจะลิขิตชะตาอย่างไรเลือกมีตั้งแต่ภูมินรก กวรณ์พร ม, มโลกนิพพานเลือกได้ใจของโยมเป็นผู้เลือกและทุกอย่างมันก็มีวิธีปฏิบัติช้ิริอตตปะโยมก็เป็นอยู่ในภูมิของเทวดาใช้สมาธิบำเพ็ญก่อเกิดแห่งชาญ บังเกิดสู่พรหมโลกพรหมโลกอบรมกิตตภาวนาก่อเกิดแห่งปัญญาอันนำสู่จิตวิสุทธิ์วิมุตตหลุดพน้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานใช้ศีลห้ารักษาชีวิตปรารถนาความเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์อยู่ที่โยม เลือกชีวิตและจงลิคิตชีวิตวัชตาจะต้องพบต้องเจอต้องเจอในสิ่งไหนก็บอกเลว่าถ้าเราอยากเป็นคนดีต้องเริ่มจากเราทำดีก่อนความดีจึงจะเกิดถ้าต้องการน้ำใจ จากผู้อื่นเราต้องแสดงน้ำใจให้ผู้อื่นก่อนอย่าให้คนอื่นก็พูดดีกับเราเราก็รู้จักพูดดีๆดีๆดีๆกับคนอื่นก่อนทุกอย่างมันเป็นผลสะท้อนเาเรียกว่ากฎวิบากกรรม เราต้องการให้มีผู้เคารพนับถือแต่เราไม่เคยเคารพนับถือผู้อื่นแล้วถามว่ามันจะได้ไหมเราไม่เคยพูดดีกับคนอื่นเลยแล้วคิดว่าคนอื่นจะพูดดีกับเราได้ไหมเราไม่เคยเห็นใจกับผู้อื่นเลยแล้วคิดว่าเราจะได้รับน้ำใจไหมมันบอกอยู่แล้วฉะนั้นโยม ต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญานำพาชีวิตจะเดินไปเส้นไหนอยากเป็นคนดีนะลงทุนแล้อยังอาจะมาบอกชีวิตก็คือการลงทุนลงทุนเลยโย บางอย่างต้องลงทุนใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาน้ำหยดเสาะหินถ้าไปคาดหวังว่าแค่วันสองวันเนี่ยเสียน้ำเปล่ายังไงหินไม่เสาะให้แน่แต่ถ้าเสาะไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน โยมเคยได้ยิน่ไหหินมันยังกลอนหินมันกลอนสุดท้ายและความดีโยมคิดว่าทำมันเดียวพอไหมไม่พอ1ิบวันไม่พอสิบเดือนยังไม่พอ ตามาก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะว่าเราเป็นคนดีแต่นั่นใช่จะสําคัญกับว่าเขาว่าแต่สิ่งที่แท้จริงเราเป็นคนดีได้จริงแล้วหรือยังคํานี้มากกว่ามากกว่าถ้าเราทําได้ นั่นแหละบุญติดตัวความดีติดตัวชีวิตสำคัญตรงที่มีความดีชีวิตสาคัญตรงได้ว่ามีบุญติดตัวฉันอเออก้าวไปเถอะจะรวยจะจนชีวิตของคนก็ไม่ได้ว่าเกินร้อยปี จะโลภโมโทสันไปถึงไหนจะเข็นฆ่ากันไปอีกถึงเมื่อไรพวกเราต้องหยุดใจก่อนเมื่อใจหยุดสรรพสิ่งทั้งหลายก็หยุดดาบในมือก็ทิ้งลงได้อาวุธทุกอย่างก็ไม่แตะไม่ต้อง ถ้าโยมรักษาใจได้ใจก็จะเป็นพระในที่สุดจบแล้วใจก็เป็นพระในที่สุดจะบอกเออใจดีก็คนนี้ใจบุญก็คนนี้กุศลใจเกิดก็คนนี้ เมตตาก็คนนี้พูดดีก็คนนี้ทำดีก็คนนี้เออคำว่าคนมันก็คือชีวิตสิ่งสำคัญของชีวิตก็คือความดีงามและคุณธรรมนั่นคือสมบัติของชีวิตที่ติดตัวไปแต่ส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึง พื้นเท้าที่ให้กำหนดรูปล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแตกสลายเสื่อมสูญในที่สุดว่างเปล่าในตัวตนคำว่ามนุษย์ปุตุชนหรือว่าคนเกินดับในชาติหนึ่งรู้ซึ้งอะไร มันมีคำถามว่าเกิดมาชาติหนึ่งมนุษย์สำคัญอะไรมนุษย์เรียนรู้อะไรโดยเฉพาะการลงทุนชีวิตมนุษย์เข้าใจแค่ไหนพระพุทธเจ้าลงทุนมาทุกพบทุกชาติไปดูเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าลงทุนเพื่อทำดี เพื่อบำเพ็ญกุศลเนี่ยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างโยมรูปไอเทาส ก, กะเทวราชหรือหรือองค์อินก็ตามว่าเขาจะได้วัตบทเจ็ดเขาต้องขุดบ่อถมถนนจัดสถานที่ให้หน้าพิรมชมชื่นร่มรื่น เป็นรมนิยสถานให้ผู้ผ่านไปผ่านมาแวะนั่งแวะดื่มน้ำแวะให้ได้ร่มเงาที่ตนได้ตกแต่งได้ได้ทำไว้ลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่สละหยาดเหงื่อไปเท่าไหร่เหงื่อหยดไปหนึ่งหยดนั่นคือน้ำใจ ที่ทาไปกว่าจะได้เป็นใหญ่ขึ้นก็ลงทุนทั้งนั้นแหละบางคนก็รู้สึกว่าทาแล้วไม่ได้อะไรเห็นไหมบางคนบอกทาแล้วก็ไม่เห็นอะไรบุญธรรมไปแล้วอันนี้ทาปุ๊บจะหวังผลบาบเลย มันไม่ใช่การค้าบุญไม่ใช่ธุรกิจ ท, ที่ทำเดือนนี้เดือนหน้ากำไรเท่าไหร่เป็นการลงทุนระยะยาวพระพุทธเจ้าโยมลงทุนมาไม่รู้อนเนกอนันตชาติไม่ได้นับปีนะอนเนกอนันตชาติ มันมหาศาลใหญ่โตประมาณยังไงไม่รู้ที่จะกําหนดได้นะแม้ถูกพยากรณ์อีกก็ต้งสียสงไขยอีกสอโหอีกเป็นแสนกับเขาไม่ได้นับปีนะนี่ของโยมทําไปตั้งสิบวันนะยังไม่เห็นใครว่าดีเลย เจ็บมือแล้วเลิกเถอะเขายังไม่ได้หันมามองเลยเลิกแล้วอย่าว่าแต่เห็นเลยยังไม่ได้หันเลยหรือบางคนกทําตั้าจะหันมาดูก็เลิกแล้วถึงบอกเออเราต้องทำามาลงทุนน้อยไปหน่อยไหม ลงทุนอีกยังไม่พอทุนเท่านี้ยมต้องโถมไปอีกโถมแม้แต่กระทั่งชีวิตทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทำไปแล้วหน้าต้องยิ้มคำพูดต้องเป็นมงคลไม่ใช่บางคนทำไปแล้วก็เครียดแค้นนึกอยู่ในใจ ทีมึงทีกูอยู่เรื่อยอยมได้ยินไหมอย่าคิดอย่างคิดจะเป็นคนดีต้องทำดีให้ตัวเองยอมรับว่าดีจริงก่อนอย่าไปสนใจคำชมจากข้างนอกให้ชมจากภายในใจตัวเองรู้รู้ถึงบอกมีธรรมะเพื่อฝึก สติปัญญาฝึกอบรมกายใจฝึกให้มีสติรู้กายยังไงกำหนดได้จิตเป็นอย่างไรกำหนดได้เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างยมวางได้ไหมวางได้ไหมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเขาไม่ได้ให้กินถ้วยชามต่อนะจบตรงนั้น ทุกอย่างที่ทำไปต้องวางให้ได้ถ้าใครวางไม่ได้สุดท้ายแบกตัวเองพอทําดีก็แบกความดีตัวเองวันนึกว่าตนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนนั่นคนนี้สู่ตัวเองไม่ได้ตนอย่างนั้นอย่างนี้ตมาบอกมันเหนื่อยเปล่าตมาทาอะไรก็รีบทาทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็วางเออเบาดี มีอะไรทําต่อก็ทําเสร็จวางเออเบาดีเห็นประโยชน์เกิดขึ้นผู้อื่นมาได้ใช้เออดีใจด้วยเหมือนไม่ขุดบ่อมีคนมากินน้ำในบ่อเราก็ดีใจด้วยย่อจะไปกลัวเราฝึกจาก น, น้อยๆก่อนความดียมทําครั้งหนึ่งก็เปรียบเสมือนเอาละไม้หนึ่ง ทำสิบครั้งได้ไม้มาสิบอันรวมกันเข้าเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเตาให้เป็นไม้จิ้มันใครก็หักมันไม่ได้ไม่ได้และถ้าโยมทําความดีอยู่เรื่อยรู้ไหมว่าจิตเป็นกุศลมันแทรกไม่ได้มันที่แทรกได้ขณะนั้นจิตคนนั้นไม่มีกุศลอยู่หลัก วิธีที่ว่ามานสิงแทรกจิตของมนุษย์ได้ขณะจิตนั้นไม่มีกุศลมานแทรกได้และยิ่งจิตเป็นอกุศลด้วยเข้าทางเลยโลภโกรธหลงเกิดเมื่อไรก็เข้าทางเขาไม่ได้ดตงนั้นความดีที่โยมบำเพ็ญสั่งสมไวน้นั่นแหละ พยมกำหนดออร่างกายที่กำหนดไปกำหนดมาเราคงอยู่ได้อีกสักกี่ปีเนาะกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทวัยอายุชีวิตสังขารร่างกายออหมดไปแล้วนะหมดไปเรื่อยเรื่อยเราจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่เนาะยังมีอะไรที่เราจะพอบำเพ็ญได้พอจะสร้างความดีได้ยังมีทุกอะไรที่เรายังดับไม่ได้จิตใจของเรายังมีอะไรอยู่ ที่ยังกังวลเราต้องสละละให้ได้ยมต้องกำหนดให้ได้ต้องกำหนดให้ได้พอกำหนดได้พอยมนั่งสมาธิเกิดวิตกวิจาร์ความตรึกความตรองขึ้นมาในปฐมฌานแรกนะ มันก็จะหวนคืนแล้วก็ทวนกลับเหมือนมันจะรีเทิร์นใหม่หรือว่ายูเทิร์นใหม่กลับไปสู่สิ่งเดิมเดิมอดีตที่ผ่านมาวันวานที่ผ่านไปยมสังเกตไหมเวลานั่งสมาธิมันจะยูเทิร์นกลับหมดมันจะรีวายชีวิตตัวเองใหม่หมด เราทําอะไรมาเราพูดอะไรเราคิดอะไรทุกอย่างบาปกรรมเมื่อไรที่สร้างผิดอะไรกับใครที่ไหนมาเนี่ยมาเริ่มมีวิตกวิจารณแล้วการต่อสู้หยุดจุด น, นี้ยกว่าใครจะผ่านปฐมฌา น, นีไม่ง่ายรู้ไม่ที่โยมทําฌานยังไม่แก่กล้าที่ยังไม่ผ่านก็จุดนี้แหละมันต่อสู้ก็ดุ ระหว่างจิตที่เป็นอดีตที่เกิดของอคุศลบวกกับนิวรฟุงซ่านลังเลเสื่องซึมเคิบเคลิบพยาบาทมากๆโดยการมันจะวนอยู่ตรงนี้และกำหนดดู มันอยู่ตรงนี้จริงจริงจิตของเราที่บําเพ็ญภาวนากว่าจะผ่านได้วิตกวิจาร์อยู่ตรงนั้นนะถ้าผ่านได้วิตกวิจาร์สงบลงปิติสุขเอขตาก็เกิดจิตที่เป็นหนึ่งมีปิติสุขนลูกขนพองขนชันตัวเบาใจสงบใจสบายนั่งปึบเจ็บปวดภายนอก แต่ใจสงบสบายพอถอนมาลืมตารู้สึกเออวันนี้มันมันนิ่งๆใจมันน่นวงๆไม่ค่อยวุ่นวายอะเนี่ยยมจะสัมผัสได้พอนั่งแล่คิดว่าจะผ่านง่ายละ่ะโอ้หนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือหนึ่งชาติยังบอกไม่ได้ และยิ่งถ้าเราได้สร้างอากุศลเป็นบาปเป็นกรรมอะไรโยมต้องชดใช้ทางจิตนั่นเลยพระนาตมาไปอยู่ในป่านั่งภาวนาโยมเจอมองอะไรที่มันติดอยู่นะมันเหมือนมาให้สะสางจิตมันวางไม่ลงมันโผล่มาปรากฏจิตมันไม่ผ่าน ไม่ผ่านมันมาปรากฏแล้วเราเรารู้เองบางอย่างเรื่องนั้นเราผิดกับคนเป็นยังมีอยู่ต้องรีบไปขอโทษขอขมาบางอย่างผิดกับสิ่งที่ต้องจากไปแล้วสูญไปแล้วหรือเสียไปแล้วหรือตายจากไปแล้วเราต้องแผ่ส่วนบุญกุศลอุทิศให้เรื่องอย่างนี้ต้องเจอเอง แล้วยมจะเข้าใจเองก็ขนาดมีพระอยู่รูปหนึ่งตะมาบอกอดีตท่านเคยไปขโมยควายเขานะ่ะบวชมาตั้งสามสี่พรรษาโอ้โหท่านร้อนใจมากแต่บอกพระอาจารย์ผมอึดอัดจังเลยมันวนอยู่ที่ใจผมเนี่ยเห็นสนภาพที่เคยเขโมยควายเขาผมทำอะไรไม่ถูกพระอาจารย์รู้ไหมผมขุดรูไว้แล้วผมก็เดินเข้าไปเอาหน้าเข้าไปที่ ที่ขุดรูแล้วก็ตะโกนว่าผมอาตมาขโมยควายครับยมว่าเป็นเรื่องพูดเล่นหรือสนุกไม่ใช่นะท่านสีเรียดนะอาตมาข็มยควายจริงๆคดีความมันจบไปแล้วเรื่องมันเงียบไปหมดแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครรู้ด้วยแต่จิตมันข้ามวิบากตรงนี้ยังไม่ได้มันเหมือนกรรมเห็นไหม ถึงบอกทำอะไรสะท้อนกลับมาสู่ชะตากรรมถึงบอกการลิขิตชีวิตไปสู่ชะตากรร ม, มเป็นเรื่องสำคัญสำคัญบอกกำหนดดูพิจารณาดูบอกเออถ้ายังไม่ผ่านโยมอย่าร้อนใจนะเฉยๆจเจริญกุศลไปเรื่อยๆแผ่เมตตาจิตไป มันจะวนแค่ไหนก็แผ่เมตตาไปอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวณแผ่เมตตาไปกตัญญูกับ บ, บรรบรรพชนของเราอุทิศส่วนกุศลไปบางทีเราผิดต่อบรรพชนก็เยอะไม่น้อยบางทีเขาก็รอส่วนบุญส่วนกุศลอยู่จากญาติจากลูกหลานที่ต้องทำบุญอุทิศให้เขาในขณะที่โยมกำลังทำฌานอย่าลืมแผม่เมตตาอุทิศส่วนกุศล แล้วมันค่อยๆ ค, ความมืดความทึบความทำมินความหงุดหงิดความชุนเฉียวความอึดอัดมันค่อยๆบางลงไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าผ่านวิตกวิจารใจสงบลงเกิดปิติสุขจิตเป็นหนึ่งเดียวนิ่งก๊ นลยมจะเข้าใจมีความสุขสุขด้วยความปลอดโปร่งนะมันอัศจรรย์นะสุขจากกิเลสนนะ่จะไม่มีก็เม่อความปลอดโปร่งนะแต่ความปลอดโปร่งจากสุขที่เราผ่านอากุศลได้เนะี่ยโอ้โหสบายนะเหมือนเรานั่งอยู่ในโลกนี้ทั้งใบนั่งสงบนิ่ง ทั้งที่โลกนี้ยังวุ่นวายอยู่แต่เราไม่วุ่นวายหนอพอผ่านได้ใจยมเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มรู้แล้วอ๋อสมาธิจิตเป็นอย่างนี้เองอวิตกวิจารณ์ปิติเกิดอย่างนี้เองและโดยเฉพาะต้องพยายามสร้างกุศล ต, ต่อกุศลนี่จะผลักดันให้จิตใจเนี่ยผ่องใส บอกเออคุณธรรมความดีกายวจีสุจริตต้องทําให้เยอะมนโนกรรมสุจริตจิตนี้ต้องทําให้ดีคิดดีพูดดีทดําดีเป็นกุศลภายในจิตก่อนพูดออกมาเป็นกุศลด้วยวาจาการกระทําออกมาเป็นกุศลทางกายกรรมถ้าโยมทําได้อย่างนี้นะไม่ต้องกลัว บุกป่าลุยป่าเข้าห้วยเข้าทำไม่ต้องกลัวอามานุษย์ทั้งหลายสัตว์ ร, ร้ายน้อยใหญ่จะไม่ทําลายอยู่ไม่มีสัตว์ ร, ร้ายน่ยจะไม่กำไกลเข้ามาเพียงแต่ไปไหนบอกเขาเส้นหน่อยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเกาแม่โทรณีโคงการแม่พานแม่เพลิงอัตมาหรือข้าพเจ้าขออาศัยพื้นแผ่นดินนี้เพียงพักพิงเพื่อบําเพ็ญภาวนาไม่ได้มาเพื่อเจตนาอย่างอื่น ขอให้ท่านมารับรู้และร่วมสนุนกุศลและช่วยปกปักรักษาเราด้วยเชื่อเถอะไม่มีสิ่งใดๆจะมากำไกลทำร้ายได้ยกเวน้นอตมาใจฐานมีอยู่ต่อว่าถ้าด้วยกรรมวิบากที่เราเคยละเมิดต่อชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ถ้าเราควรชดใช้ เราก็ยินดีแต่ถ้าไม่ด้วยกรรมวิบากที่เราจะก่อเวรสร้างกรรมใหม่แล้วไซก็ขอให้เราพ้นจากภัยพิบัติอันตรายใดๆทั้งปวงถ้าเป็นกรรมวิบากจะมาไม่ขอแต่ถ้าเป็นภัยวิบากใหม่จะมาบอกให้ปกป้องดูแลด้วยเร็วช้าต้องชอดใช้เมื่อเรามีบุญกุศลตอนนี้ เราก็สมควรชดใช้ก็ถ้าเขาจะโหสิก็รับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ถ้าเขาต้องการเอาชีวิตตัวตนของเราใหจากโลกนี้ไปก็จงทำลายขันเราเสียดับชีพเราด้วยพิษอันใดก็สุดแลแต่สักน้อยใหญ่ถึงบอ ก, กจิตเราต้องะระลึกถึงความตายยิ่งะระลึกถึงความตายก็ดูว่าเวลาชีวิตมีน้อย ก็จะไม่ประมาทหมดแต่มานั่งนอนนั่งดื่มอาบเคี้ยวกินขับถ่ายเที่ยวเตรไปเตรมาประโยชน์ไม่มีสาระไม่เห็นชีวิตจะมีความสำคัญตรงไหนเที่ยวไปวันวันหนึ่งเที่ยวไปวันวันหนึ่งเมาไปวันวันหนึ่งพูดจาหลอกลวงสนุกสนานไปวั น, ว, นวันหนึ่ง ต่อให้มีเงินแสนล้านพันล้านชีวิตก็ไรค่าเพราะไม่เห็นความสำคัญอะไรเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถึงบอกน่าสงสารท่านมนุษย์ที่มีทรัพย์สมบัติกำลังรุ่งโรดชีวิตที่ประมาทในบุญระวังกินบุญเก่าตายไปไม่มีอะไรติดตัว แต่ถ้ารู้จักใช้ทรัพย์นำประโยชน์สู่สังคมช่วยเหลื อ, อช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือการกุศลใดๆพอให้มีประโยชน์บ้างทรัพย์นั้นจะมีค่าอย่างน้อยก็ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากช่วยคนยามครับขันลำบากทรัพย์ตรงนั้นจึงมีค่ามีกุศล แล้วก็เป็นอนิสงฆ์ให้กับตนเองในที่สุดแต่ถ้าไม่รู้จักใช้ซัพ์ก็ใช้แต่สุรุยสรายใช้แต่สนตัวสุดท้ายไม่มีอะไรแต่วันนี้ซัพ์ก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเมื่อกำหนดรูปกายเป็นอย่างนี้ใหญ่ไม่ใช้สติรู้จักใช้ สิ่งที่มีให้ก่อเกิดประโยชน์เมื่อกำหนดใจที่รู้ใ่ไม่ปล่อยวางชีวิตที่ไม่เที่ยงทุกงบอกกำหนดกายกับจิตพอเข้าถึงรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างกำหนดอะไรเนี่ยก็เป็นสภาวะที่เห็นได้หมดแล้วเราก็ไม่หลงมันด้วยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจน่จะหลง ความหลงทําให้เกิดความกลัวด้วยบางคนกลัวนะชีวิตสุดท้ายกลัวกลัวทรัพย์สมบัติจะสูญหายกลัวทรัพย์สมบัติจะถูกแย่งชิงกลัวทรัพย์สมบัติจะถูกคดโกงกลัวทรัพย์สมบัติจะลูกหลานดูแลไม่ได้กลัวกลัวชีวิตเมื่อจากไปแล้ว ก็สารพัดที่จะคิดไปว่าขาดเราไปคนหนึ่งครอบครัวจะอยู่อย่างไรอะไรทุกอย่างยังเป็นความมั่นหมายสำคัญตนอยู่สุดท้ายชีวิตที่วางไม่ได้ตายตาไม่หลับไม่กี่ประโยคเองตายตาไม่หลับ ใจไม่สงบไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยแล้วก็ยังหวงหวงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเป็นเพียงเจ้าของชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วไม่นานวันก็ถูกเปลี่ยนชื่อถูกคัดออกหมด ที่ที่เคยนอนเขาก็เอาไปให้เรานอนที่อื่นอาจจะเป็นสุสานคงช่วยดีๆลูกหลานก็ทำให้อาจจะไปสู่เมนเผาเสร็จแล้วก็ไปลอยอังคารที่น้ำหรือจะเก็บกระดูกไว้ส่วนหนึ่งไว้อยู่รอบใส่เจดีย์ไว้ที่วัดใดวัดหนึ่งก็สุดแล้วแต่ และไม่นานชีวิตนี้ไม่เกินอีกสามสี่สิบปีก็ถูกกลืนหายไปไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วเสียดายจากักบางคนอายุไม่ถึงร้อยปีแต่ชีวิตความดีอยู่เป็นพันพันปีมันคุ้มกว่ากันเยอะ ถึงบอกมันอยู่ที่ว่าเราเมื่อเข้าใจว่าชีวิตเป็นสิ่งสำคัญแล้วรู้ไหมว่าเราควรทำอะไรทำยังไงทำแบบไหนสดังนโยมฝึกอบรมเรื่องการภาวนาแล้วสุดท้ายก็คือกายกับจิตชีวิตกับธรรมะสติและก็ปัญญา กำหนดลงมาอยู่อย่างผู้ไม่มีทุกข์คือจิตใจสภาพทุกข์ที่มีอยู่โดยความเกิดร่างกายก็ต้องมีทุกข์มีอยู่ตลอดไปแต่ใจที่สำคัญคือคุณธรรมและก็กรรมดีที่เราได้สร้างไว้แล้วร่างกายนี้อีกไม่นานก็แตกไป ทุกกายไม่นานวันทุกคืนวันคือใจของเราเองสุดท้ายยมวางได้ไหมนั่งภาวนากำหนดที่สุดวางชีวิตแต่ยังมีประโยชน์ที่ต้องทำอยู่ ความหมายคือความยึดมั่นยมต้องศึกษาเยอะพอสมควรยิ่งปล่อยวางเท่าไรอิสระก็จะเกิดมากขึ้นในใจเท่านั้นอิสระมีมากเท่าไหร่ ความหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการก็มีมากเท่านั้นความหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการมีมากเท่าไหร่จิตก็พ้นทุกเท่านั้นความพ้นทุกได้มากเท่าไหร่จิตก็มีสุขเท่านั้นนี่แหละคือสิ่งสำคัญมีหน่าบกบัวพ้นนามแล้วก็เบ่งบานตะมาบอกเออ พระพุทธเจ้าลงทุนชีวิตอุทิศทุกอย่างบำเพ็ญมาทุกอย่างสุดท้ายความพ้นทุกข์จิตที่มีสุขอันแท้จิตไม่มีสิ่งใดครอบงำได้อีกเลยอยูเนือสัพสิ่งทั้งหลาย ในสามโลกนี้ไม่ว่าไหนนรกสวรรค์พรทมาโลกพระองค์อยู่เหนือหมดแล้วจิงใช้คำว่าเป็นอรหันตส ม, มาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดของพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้านอกนี้เป็นเพียงว่า พระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าเป็นอาหารหันต์ตระส ม, มาสัมพุทธเจ้าเป็นครูของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าที่สุดพอเราเข้าใจแล้วกำหนดรูปนามทําไมเมื่อก่อนตมาก็บอกอย่าประมาท สิ่งใดที่ไม่ใช่ของเรายึดไปมันก็ไม่ใช่รู้จักใช้และเข้าใจการใช้นั่นแหละคือประโยชน์ที่ท่านต้องรู้จักมันกำหนดให้ได้แล้วก็ใช้ให้เป็นที่สุดก็ต้องปล่อยวางเข้าใจธรรมะแค่นี้แล้วเราก็จะทราบซึง้งความจริง ที่บอกให้ใจรู้และใจที่รู้บอกความจริงให้ชีวิตต้องรับทราบเมื่อชีวิตรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจงเลือกเดินไปข้างหน้าเจริญในศีลสรรมาธิปัญญาให้ถึงที่สุด ก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่า น, นี้ขอจเจริญพร